ณบัดนี้ขอเชิญทกชาตทุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทวรัตหลวงกวชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คืออนิจจ กของอตมาเมื่อเห็นพระไทยสามนเณรไทยศึกก็อุ้ยเสียดายทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมพระไทยเนนไทยถึงศึกกันนี่เขาตกใจพากันตื่นเต้นในการศึกของพระไทยเนนไทยก็เพราะมาพบใหม่ๆเขาตั้งใจมีศรัทธามาบวชีนมันดีแล้วคิดว่าจะไม่ศึกแล้วใครศึกก็งโง่เท่า น, นั้นแหละ มาเห็นพระไทยเนนไทยเข้าพรรษาก็บวชกันออกพรรษาแล้วก็สึกโอ้ยสลดใจตกใจโอ้สงสารเน้อสงสารพระไทยสงสารสามัญเนรไทยทำไมถึงทำอย่างนั้นพอดีต่อมาพระฝรั่งก็อยากสึกบังเลยเห็นเป็นของที่ไม่สำคัญตอนแรกมาพบใหม่ๆมันตื่นเต้น เห็นเป็นของสาคัญมากการบวชนะ่ะนึกว่าจะทำเอาง่า ย, ายเมื่อใจของคนกำลังมีศรัทธามันพร้อมหมดทุกอย่างคิดอะไรมันก็คิดดีคิดอะไรมันก็คิดถูกไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครตัดสินคือตัดสินเอาเองนั่นแหละไม่รู้ว่าปฏิปทาของการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยท่านทำอย่างไร ท่านจะต้องมีรากฐานอันมั่นคงที่สุดภายในจิตใจของท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรมากส่วนอาตมาบวชมาครั้งแรกไม่ได้ฝึกฝนแต่ว่ามันมีศรัทธามันจะเป็นเพราะกำเนิดก็ไม่รู้ พระเนนที่บวชพร้อมๆกันออกพรรษาแล้วก็ศึกเรามองเห็นว่าเฮ้ hey, ไอ้พวกนี้มันยังไงกันนอะแต่เราไม่กล้าพูดกับเขาเพราะเรายังไม่ไว้ใจความรู้สึกของเรามันตื่นเต้นแต่ภ า, ายในจิตของเราก็ว่านี่มันโง่ามากบวชมันบวดยากศึกมันศึกง่ายนี่มีบุญน้อยไม่มีบุญมากเห็นทางโลกมันมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะเนี่ยเราก็เห็นไปแต่เราไม่พูด เราก็มองดูแต่ในจิตของตัวเองเห็นเพื่อนภิกษุที่บวชพร้อมๆกันสึกไปเรื่อยๆบางทีก็เอาเครื่องแต่งตัวใส่เข้ามาเดินเราเห็นมันเป็นบ้าหมดทุกกระเบียดเลยแต่เขาว่ามันดีสวยศึกแล้วจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มาเห็นอยู่ในใจของเราไม่กล้าพูดให้เพื่อนเขา ว่าคิดอย่างนั้นมันผิดมันก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าตัวเรามันยังเป็นของไม่แน่อยู่ว่าศรัทธาของเรานี้มันยังจะยึดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรๆก็ยังไม่กล้าจะพูดกับใครเลยพิจารณาแต่ในจิตของตนอยู่เรื่อยๆพอเพื่อนศึกไปแล้วก็ทอดอะไรไม่มีใครอยู่แล้วนะ ชักเอาหนังสือปฏิโมกมาดูเลยท่องปฏิโมกสบายไม่มีใครมาล้อเลียนเล่นอะไรต่อไปตั้งใจเลยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตหาไม่บางทีก็อายุเจ็ดสิบก็มีแปดสิบก็มีเก้าสิบก็มีจะพยายามปฏิบัติให้มันมีความนึกคิดเสมอไม่ให้คลายความเพียรไม่ให้คลายศรัทธาจะให้มันสม่ำเสมออย่างนี้มันยากนันกนนจึงไม่กล้าพูด คนที่มาบวชก็บวชไปที่สึกก็สึกไปเราดูมาเรื่อยๆ อ, อยู่ไปก็ไม่ว่าจะสึกก็ไม่ว่าดูเพื่อนเขาไปแต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่าพวกนี้มันไม่เห็นชัดพระฝรั่งที่มาบวชคงเห็นอย่างนั้นเบื่อความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเองเบื่อพรหมจักคลายความเพียรออกมาเรื่อยๆผลที่สุดก็สึกทำไมสึกละ่ะ แต่ก่อนเห็นพระไทยศึกหมาเสียดายน่าสลดสังเวชน่าสังสารตัวเราศึกทำไมไม่สงสารตัวเราหรือนี่ไม่พูดยิ้มยิ้มเท่านั้นแหละไม่พูดเรื่องการปฏิบัติในจิตของตัวเองนี้นะ ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องตัดสินได้ ง, ง่ายเพราะว่าพยานมันไม่มีเรื่องราต่างๆมีคนอื่นเป็นพยานมันมีแบบมันมีแผนเรายังอาศัยคนอื่นเป็นพยานเรื่องเอาธรรมะเป็นพยานนั้นเราเป็นรมแล้วหรือยังเราคิดอย่างนี้มันถูกแล้วหรือยังถ้ามันถูกเราทิ้งความถูกได้หรือยังหรือยึดความถูกอยู่ มันต้องคิดคิดไปถึงที่สุดว่ามันทิ้งนั่นแหละจึงเป็นของสำคัญจนกว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นโน่นก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นดีก็ไม่เป็นชั่วก็ไม่เป็นมันทิ้งคือหมายความว่าให้มันหมดนั่นแหละถ้าอะไรมันหมดมันก็หมดไม่เหลือถ้าอะไรมันยังมีอยู่มันก็ยังเหลือ ฉะนั้นเรื่องปฏิบัติในจิตของตนเนี่ยว่ามันง่ายรอมันพูดง่ายนะแต่ว่ามันทำยากมันทำยากยากคือมันไม่ได้ตามปรารถนาของเราบางครั้งที่เราปฏิบัติไปมันก็มีด้วยนะมันเป็นเทวบุตรมารช่วมันช่วยเทวบุตรมารมันช่วยให้ดูไปให้ถูกพูดไปให้ถูกอะไรๆมันถูกไปทั้งนั้นแหละอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ถูกก็ไปยึดมันในความถูกนั่นอี คนสุดท้ายก็ผิดอีกทลําไปอีกอันนี้มันเป็นของยากลาบากไม่มีอะไรจะวัดนะคนที่มีศรัทธามากๆคือประกอบไปด้วยศรัทธามันประกอบไปด้วยความเชื่อมันอ่อนด้วยปัญญาสมาธิก็เก่งแต่ว่าวิปัสสนาไม่มีมันเห็นไปหน้าเดียวเห็นไปรูปเดียวก็เป็นไป คิดอะไรก็ไม่รู้มันมีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาท่านพูดตามตัวหนังสือท่านว่าศรัทธาอักธิโมกมันมีศรัทธาก็จริงแต่ว่าศรัทธานี้มันปราศจากปัญญาแต่เราก็มองไม่เห็นในขณะนั้นเราก็นึกว่าปัญญาเราก็มีอย่างนี้มันก็เลยมองไม่เห็นความผิด เพราะฉะนั้นท่านจึงตรัดกำลังทั้งห้าไว้ว่าศรัท ธ, ธาวิริยาสติสมาธิปัญญาศรัท ธ, ธาคือความเชื่อสติคือความระลึกได้วิริยะคือความเพียรสมาธิคือความตั้งใจมั่นปัญญาคือความรู้ทั่วปัญญาความรู้ทั่วอย่าไปพูดแต่เพียงว่าปัญญาความรู้ ปัญญาความรอบรู้ทั่วถึงประท่านจัดทําทั้งห้าประการนี้เป็นตอนตอนเพื่อเราจะมองดูปริยัตที่เรียนแล้วมาเปรียบเทียบกับขนาดจิตของเราที่มันเป็นอยู่อย่างสาัตย์ทางคือความเชื่อเราเชื่อไหม เราเป็นอย่างนั้นแล้วหรือยังวิริยะเรามีเพียรแล้วหรือยังที่เราเพียรอยู่นี่มันถูกหรือผิดอันนี้เราต้องพิจารณาใครก็เพียรกันหมดทั้งนั้นแหละแต่ว่าเพียรนี้มันประกอบไปด้วยปัญญาหรือเปล่าสตินี่ก็เหมือนกันแมวมันก็มีสติเห็นหนูขึ้นมาสติมาก็รู้ขมาตามันจ้องดูของมันนี่สติของแมวอะไรมันก็มีทุกอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็มีอันธพาลมันก็มี ปราดก็มสมาธิความมุ่งมั่นความตั้งใจมันอันนี้มันก็มีอีกแหละแมวมันก็มีมันมั่นที่จะตะครุบหนูกินเนี่ความมุ่งมั่นของมันมีสตินั้นก็เรียกว่าสติสมาธิความตั้งใจมั่นว่าจะทําอย่างนั้นมันก็มีอยู่ปัญญาความรู้มันก็มีแต่ว่ามันไม่รอบรู้เหมือนมนุษย์มันรู้อย่างสัตว์มีปัญญาเพื่อจะตะครุบหนูกินเป็นอาหาร ทำทั้งห้าประการนี้ท่านเรียกว่ากําลังสิ่งทั้งห้าประการนี้เกิดมาด้วยสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าศรัทธาวิริยสติส ม, มาธิปัญญานี่เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าสัมมาทิฏฐินี้เป็นอย่างไรอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราต้องรู้ชัด สัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นพระอริยะเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ยึดมั่นท่านไม่ได้ยึดมั่นท่านยึดไม่ให้มั่นไม่ใช่ท่านยึดมั่นยึดไม่ให้มั่นคือยึดไม่ให้มันเป็นภพตัวยึดที่ไม่ได้เป็นภพคือไม่มีตังหาเข้าไปปะปนมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นนี้ นี่มันหมดมันสิ้นในการกระทำอย่างนั้นเมื่อมันยึดมาแล้วมันยินดีไหมมันยินร้ายไหมเมื่อมันยินดีแล้วมันยึดในความดีนั้นไหมมันยึดในความร้ายนั้นไหมทิฏฐิคือความเห็นหลักที่จะเป็นที่วัดให้เรารอบรู้พอสมควร เพื่อเราจะเรียนรู้เพื่อเราจะพิจารณาก็มีอยู่เหมือนกันเช่นความเห็นที่ว่าเราดีกว่าเขาเห็นว่าเราเสมอเขาเห็นว่าเราโง่กว่าเขานี่เป็นความเห็นอันผิดทั้งนั้นแต่ท่านก็เห็นท่านเห็นแล้วท่านก็รู้ด้วยปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับของมันไปเห็นว่าตัวนี้มันโง่กว่าเขาก็ไม่ใช่ความเห็นซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันตัดต้นตัดปลายไปหมดละมันจะไปตรงไหนละ่ะ เห็นว่าเราดีกว่าเพื่อนเราก็ทะนงตัวมันก็มีอยู่ในนั้นแหละแต่มันยังไม่รู้จักเห็นว่าเราดีเสมอกับเพื่อนมันก็เสมอกันทั้งนั้นเห็นว่าเราเลวกว่าเขานั่นเราก็ตกใจคิดอาภัพอับจดมันก็อุปทานขันห้ามันเป็นภพชาติทั้งนั้นะนี่เป็นเครื่องตัดสิน อีกอย <methodology> ่างนึงเช่นเราได้อารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่ดีเราถึงดีใจอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราวัดดูไหมว่าอารมณ์ที่เราไม่ชอบกับอารมณ์ที่เราชอบนั้นมันมีราคาเท่ากันไหมนี่ให้เอาไปวัดดูสิที่เราอยู่ทุกวันนี้อารมณ์ที่เราอาศัยอยู่นี้เราได้ยินอารมณ์ที่ชอบใจแล้วใจเราเปลี่ยนไหม เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแล้วมันเปลี่ยนไหมหรือมันคงที่ดูตรงนี้ก็ได้เป็นพยานอันหนึ่งนะแต่ว่าให้รู้ตัวของตัวอันนี้เป็นพยานของเราอย่าพึงไปให้มันตัดสินด้วยความยากบางทีมันก็เสริมขึ้นไปให้เราเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องระวังมันมีหลายแง่หลายมุมเหลือเกิดที่เราจะต้องพิจารณา แต่ว่าในทางที่ถูกต้องมันก็เรียกว่าไม่ใช่การตัณหาไม่ใช่ตามตัณหาไม่ใช่ตามความอยากมันเป็นความจริงถ้าใ้รู้ทั้งดีทั้งชั่วเมื่อรู้แล้วท่านก็ให้ละทั้งดีทั้งชั่วถ้าไม่ละมันก็ยังอยู่เป็นอยู่มีอยู่ถ้ามีอยู่มันก็เหลืออยู่มันมีพบอยู่มันมีชาติอยู่อย่าง นั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้ตัดสินเอาเฉพาะตัวเองอย่าพึงไปตัดสินให้คนอื่นเลยจะดีจะร้ายประการใดท่านก็พูดในฝั่งเท่านั้นแหละนี่เรื่องความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จิตใจเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นว่ามีพระองค์หนึ่งไปจับเอาของเขาทีนี้คนอื่นก็ว่าท่านขโมยของผมผมไม่ได้ขโมยผมเอาเฉยๆให้พระกตัดสินจะตัดสินอย่างไร ก็ไปถามพระนั้นมาเป็นพยานในที่สมผมเอาจริงครับแต่ผมไม่ได้ขโมอยอย่างเรื่องอาบัตสังคาทิเศษอาบัตปราชิกเป็นตุกผมทําอย่างนั้นอยู่แต่ผมไม่มีเจตนาใครจะไปฟังได้อย่างนั้นมันก็ยากถ้าฟังไม่ได้ก็ทิ้งให้เจ้าของเดิมเอาไว้ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้เข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดมีในใจของเรานั้นนะเรื่องปิดไม่อยู่ทางนั้นแหละเรื่องมันจะ ผิดมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะผูกมันก็ปิดไม่ได้เรื่องมันจะดีก็ปิดไม่ได้จะชั่วมันก็ปิดของมันไม่ได้คือมันเปิดมันเองมันเปิดมันเองมันมีมันเองเป็นมันเองมันเป็นอัตโนมัติอยู่ทุกอย่างละมันเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าคาดเดาอย่าคณีเอาอย่าเดาเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรมันเป็นอวิชชา มันไม่หมดองคมลตรีเคยถามอาตมาหลวงพ่อพระอนาคามีนะ่จิตเป็นประพัดสรหรือเปล่าเป็นบ้างอ่ะพระอนาคามีท่านละกามได้แล้วทำไมจิตไม่เป็นประพัดสรท่านละกามได้แต่ว่ามีเหลืออยู่ใช่ไม้มอวิชชาโมหะเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่นั่น ก็เหมือนบาทของเรานั่นแหละบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาทขนาดกลางอย่างเล็กบาทขนาดเล็กอย่างใหญ่บาทขนาดเล็กอย่างกลางบาทขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาทอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้น อย่างว่าโสดาสกิทาคาอนาคาลกิเลได้นั้ น, น, นแต่ว่ามันหมดแต่แค่นั้นนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่พวกนั้นมองไม่เห็นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพระอาราหันต์หมดเท่านั้นแหละมันมองไม่เห็นอวิชชานี่มันมองไม่เห็นอยู่นั่นแหละถ้าหากว่าจิตพระอนาคามีรียบหมดแนละ้วก็ไม่ใช่อนาคามันก็หมดสิอันนี้มันยังเป็นอยู่จิตเป็นประภัสสอนไหมอืมก็เป็นนั่ง แต่มันไม่ถึงร้อยเปอร์เซนจะให้เราตอบอยังไงท่านว่าวันหลังจะมาเรียนใหม่เรียนก็เรียนสิหลักมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปประมาท ร, ระวังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้ระวังอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตของเราอัตมาเคยสวดเซมาหลายครั้งเหมือนกัน บางทีอยากจะทดลองหลายหลายอย่างแต่แล้วมันก็ไม่ถูกทางทั้งนั้นแ่ะคือมันอวดดับอวดดีขึ้นในจิตมันเป็นมานะอันหนึ่งทิฐิความเห็นมานะความยึดไวมันมีอยู่นี่พูดแต่เท่านี้มันก็ยังดูยากเหมือนกันนะที่อาตมาเคยพูดในฝั่งโยมอะไรที่มาบวชเป็นหลวงตาหอพระไตรจีวรมาแล้วจะมาบวชหน้าศพของโยมแม่ได้พระไตรจีวรก็หอมเข้ามาในวัด ยังไม่ไปกราบพระพอวางตายจีวรก็เดินจงกรมเลยเดินอยู่หน้าสาลานเะลเดินกลับไปกลับมาเดินอย่างเอาจริงเอาจังเออคนอย่างนี้มันก็มีนะนี่คือศรัทธาอธิโมกข์เขาคิดว่าจะเอาให้ตะวันไม่ทันตกจะให้สำเร็จก็ไม่รู้นะึกว่ามันง่ายนะเราก็ปล่อยเขาเล่นอยู่นั่นไม่ต้องมองใครละเดินเอาจริงเอาจังอย่างนั้น เรามองเห็นโอ้โหมนุษย์เอ้ยมันคิดว่าจะง่ายๆอย่างนั้นเลยพอดีให้อยู่ไปกี่วันก็ไม่รู้ดูเหมือนไม่ได้บวชหรือบวชก็ไม่รู้มันจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะพอใจมันรู้อะไรปุ๊บส่งออกเลยมันรู้อะไรมาปุ๊บก็ส่งออกเลยตัวจิตสังขารมันปรุงแต่งก็ไม่รู้เรื่องของมันมันก็ว่าฉันเป็นปัญญา มันปรุงแต่งแยกขยายล้าอย่างหลายประการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ล้าอย่างละเอียดก็จิตสังขาร น, นี้มันก็คล้ายกับปัญญาถ้าคนไม่รู้มันก็ว่าปัญญาดีๆนี่แหละแต่ว่าเมื่อถึงคราวมันแล้วหาความจริงไม่มีอะไรเมื่ออารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นได้อยู่นั่นมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นปัญญาอะไรไหมมันเป็นตัวสังขารทั้งนั้นแหละ จะดีกว่าที่อาตจจมาเคยเล่าให้ฟัง เ, เรื่อยๆปฏิบัตินั่นแหละแอบเข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะยังอยู่ทุกวันนี้แอบเข้าไปหาท่านทานอะไรล่ะคืออนิจจงแอบเข้าไปหาท่านไปกราบท่านสิอนิจจงมันของไม่แน่นั่นแหละเอาตรงนั้นแหละหยุดได้ตรงนั้นแหละก่อนถ้ามันบอกว่าฉันเป็นโสดาบันแล้วไปกราบท่านเถอะ ไม่แน่เลยไปกราบท่านท่านจะบอกว่ามันไม่แน่สกีทาคาแล้วก็กราบท่านเถิท่านจะบอกอยู่คําเดียวว่าไม่แน่เป็นอนาคามีไปกราบท่านเถิท่านจะบอกอยู่คําเดียวว่ามันไม่แน่ไปถึงพระอรหันต์ไปกราบท่านท่านก็ยิ่งเอาใหญ่ยิ่งไม่แน่เราจะได้ฟังคําของพระบ้างคือไม่แน่แล้วก็ไม่ยึดนั่นเองเล่ะอย่าไปยึดงูงปูปลา อย่ายึดแล้วไม่วางอย่าจับไม่วางยึดมาดูเป็นสมมุติเฉยๆผลที่สุดก็ส่งให้วิมุติมันเป็นไปแต่อย่างนั้นต้องมีสมมุติต้องมีวิมุติเรื่องจริตของเราเรื่องอารมณ์ของเรามันก็ ค, คล้ายๆกับคนคนหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆมัน ค, คล้ายๆกับคนคนหนึ่งคนบางคนมันชอบจริตเราก็มี บางคนที่ไม่ชอบจริตของเราก็มีสิ่งที่มันเป็นมาข้างนอกมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันไม่แปลกอะไรสักคนซึ่งเรียกว่าอารมณ์นีความเป็นจริงมันก็เป็นอยู่ที่เจ้าของนั้นอารมณ์นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นศักด์แต่ว่าอารมณ์เรามาคิดเอาเองหรอกว่าเราดีาเราชั่วว่าเราผิดว่าเราถูกเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นเองว่าขึ้นเองผุดขึ้นมา อย่างนั้นธรรมนี้จึงเป็นเครื่องวิจารวิจัยได้ยากเลือเกินอัตมาจึงบอกว่าให้แอบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครก็คือธรรมะนั่นแหละธรรมะในสกลโลกนี้ทั้งหมดมันมารวมอยู่ที่ธรรมะตัวเดียวคืออนิจจังลองดูสิใครจะเป็นนักปฏิบัติเถอะอัตมาค้นมาตลอด2 0สถึงี่สบปศา อาตมาเห็นเท่านั้นแหละแล้วก็อดทนอันนึงแล้วก็เข้าใกล้ธรรมะของท่านอานิจจังมันไม่แน่ใจว่ามันแน่ขนาดไหนก็บอกว่ามันไม่แน่ใจมันจะยึดมั่นว่ามันแน่ที่ไหนก็ว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงดันมันอยู่อย่างนี้แหละอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ดับไปอยู่อย่างนี้แหละตลอดมาทุกวันนี้ไม่ใช่ว่ามันประเดียประดาวนะยืนก็เป็นอยู่อย่างนั้นนั่งก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอนก็เป็นอยู่อย่างนั้ ที่ไม่ชอบใจเกิดขึ้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันเข้าใกล้พระเข้าใกล้ธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่ามันจะมีราคามากกว่าที่เราปฏิบัติมาเท่าที่อาตมาปฏิบัติมาตั้งแต่นนถึงขณะ น, นี้อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่ ไม่อาศัยตำราหรือก็ไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่ไม่อาศัยครูบาอาจารย์จริงหรือก็ไม่ใช่มันเป็นของกั้มกึ่งอยู่อย่างนี้ถ้าพูดตามความจริงก็เรียกว่าให้มันหมดคือทำให้มันหมดทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหมดไปทาให้มันมีสมมติแล้วก็ให้มันมีวิมุต อาตามาเคยพูดในพระฝังสั้นๆแต่บางคนก็อาจจะสนใจถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยไปตอนปลายถึงจะรู้จักมันลงไปมันจะไปลงตรงนั้นแน่นอนไม่ไปที่ไหนอาตามาเคยพูดว่ารีบเดินไปแล้วก็รีบกลับมาแล้วก็รีบหยุดจูนี่เบื้องแรกมันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วผลที่สุดจะเกิดความรู้สึกขึ้นในที่นั้นว่าเดินไปก็ไม่ใช่กลับมาก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่หมดมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันหมดแล้วอย่าไปหวังอะไรมันมากอีกแล้วมันหมดแค่นั้นแหละมันสิ้นแล้วขีณาสาวโวคือสิ้นแล้วไม่ต้องเดินไม่ต้องถอยไม่ต้องหยุดหยุดก็ไม่มีเดินก็ไม่มี ห อ, อยก็ไม่มีหมดอันนี้ให้เอาไปพิจารณาไว้ให้มันชัดในจิตของตัวเองตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆอันนี้มันก็ใหม่หรือเก่ามันเป็นกับผู้ที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดนั้นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันจะดูสภาพต้นไม้ก็ได้ ต้นมะม่วงก็ดีต้นขนุนก็ดีทุกต้นถ้ามันเกิดแอบแฝกันอยู่นะบางทีต้นหนึ่งมันโตกว่าต้นเล็กมันน้อมหนีไปนู่นทําไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันนี่คือธรรมชาติธรรมชาตินี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกนะมันวนไปทางถูกก็ได้วนไปทางผิดก็ได้ต้นไม้ธรรมดาถ้าเราปลูกติดติดกันแล้วก็ต้นหนึ่งมันโตก่อนต้นที่มันโตทีหลังชอบแอบแฝกไปข้างนอกทําไมมันเป็นอย่างนั้นใครไปบอกมันไหม ใครไปแต่งมันไหมนั่นคือธรรมชาติมันเป็นธรรมะอย่างตัณหาคือความอยากนำเราไปสู่ทุกข์อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วนะมันจะโอนออกไปจากตัณหามันจะพิจารณาตัณหามันจะขย่าตัณหานั้นให้หมดให้เบาให้บางไปเองเหมือนกับธรรมชาติ ต้นไม้ต่างๆนั่นแหละใครไปบอกมันใครไปส ก, กิดมันไหมมันก็พูดไม่ได้มันก็ทำไม่ได้แต่ว่ามันออกไปได้ตรงนี้มันแคบมันไม่เกิดอะไรมันก็โอนออกไปข้างนอกดูอย่างนี้ก็เป็นธรร ม, มกแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากมายหรอผู้ที่มีปัญญาเนะ่เท่านี้ก็รู้จักว่ามันเป็นธรร ม, มก สัญชาตญาณของต้นไม้มันไม่รู้จักอะไรแต่มันมีความรู้อยู่ในมันนั่นแหละทำให้วิ่งออกจากอันตรายได้เลือกที่เหมาะสมของมันได้ผู้มีปัญญาเราก็เหมือนกันนั่นแหละเราบวชมาประพฤติปรมจารีเพื่อหวังให้มันจะผลทุกข์อะไรมันพาเราเป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหม สิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์เราย่ำเข้าไปจะเห็นไหมสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนี่ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็อย่าเข้าไปใกล้มันซิจะไปรักมันลึอือจะไปเกลียดมันลึอือมันไม่แน่ทางนั้นเราก็แอบเข้าหาพระกำหนดอย่าลืมอันนี้แล้วก็อดทนอย่างหนึ่งเท่านี้และดีมากที่สุดถ้าคนมีปัญญาอย่างนี้หละมันดีมาก ความเป็นจริงตัวอาตมาที่ได้ปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ถึงแก่ขนาดพระทั้งหลายที่อาตมาสอนมานะ่ะไม่ค่อยมีหรอกบวชก็บวชอยู่วัดบ้านธรรมดาอยู่วัดบ้านนี่แหละจิตมันคิดอยากจะทํามันคิดอยากจะเป็นมันคิดอยากจะฝึกไม่มีใครมาเทศที่วัดไม่มีใครหรอกศรัทธามันเกิดในใจไปลองดูไปพิจารณาเดินไปดูไปหาดู หูมีก็ฟังไปตามีก็ดูไปทางหูได้ยินก็ว่าเออมันไม่แน่ทางตาเห็นก็ไม่แน่จมูกได้กลิ่นมันก็บอกว่าอันนี้ไม่แน่ลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่โวดทัพพระถูกต้องทางร่างกายมันสบายหรือเป็นทุกข์ก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่แน่นี่คือเราได้อยู่ด้วยธรรม มันเป็นจริงมันไม่แน่แต่ตัญหาของเราว่ามันแน่ทํำยังไงล่ะต้องอดทนตัวแม่บทของมันก็คือขันติความอดทนทนมันไปถแต่อย่าไปทิ้งพระนะที่เรียกว่ามันไม่แน่นะอย่าไปทิ้งนะเดินไปในสถานที่ต่างๆในโบสถ์ในวิหารเก่าสถาปนิกเขาทําอย่างดีบางแห่งมันร้าวก็มีเพื่อนพูดว่ามันน่าเสียดายนะมันร้าวหมดนะอาตมาเลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิ ธรรมะอันจริงสิก็ไม่นี้มันมีอย่างนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าวางรอยไว้อย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเราบางทีก็ยังนึกเสียดายอยู่ที่มันร้าวอย่างนั้นก็ยังปักใจขึ้นมาพูดให้มันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนและแก่ตัวด้วยบางทีก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ยังมักเข้าไปหาธรรม อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสิถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นพูดแรงๆเข้าไปให้เพื่อนได้ยินหรือบางคนก็คงจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ได้ยินเรานั่ยนะอันนี้มันเป็นประโยชน์มีประโยชน์หลายอย่างเช่นว่าเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างเนี้ยถ้ามีเพื่อนบอกหลวงพ่อโยมคนนั้นบอกให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์นั้นว่าให้หลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น โอ้ยมันสั่นขึ้นมานได้ยินเขาว่านี่มันสั่นขึ้นมานี่นี่คืออารมณ์เราก็ต้องรู้มันทุกกระเบียดนิ้วและอารมณ์นะพอมันรู้จักบางทีมันก็ตั้งใจเยี่ยมโหดขึ้นมาในจิตของเราแต่บางทีเราไปสืบสวนเรื่องนั้นจริงๆก็เปล่ามันคนละเรื่องกันอีกแล้วมันเลยไม่แน่ไปอีกแล้วแล้วจะเชื่ออะไรมันทําไมเราจะเชื่อคนอื่นอะไรมากมายทําไม เราก็รู้ก็ฟังอดทนพิจารณามันก็ไปตรงเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีอะไรก็เขียนออกเขียนออกเขียนออกทั้งนั้นจนมันหมดคาพูดที่ปราศจากอนิจจ์คาพูดอันนั้นไม่ใช่คําพูดของนักปราในี่จำไว้ตัวเราเองถ้าไปทิ้งอนิจจงเสียก็ไม่ใช่นักปราศเหมือนกัน ไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเห็นอารมณ์ได้ยินอารมณ์พบประสบอะไรมากมายขึ้นมามันจะเป็นเหตุให้เพลินใจก็ตามเป็นเหตุให้เศร้าใจก็ตามก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ทําให้มันแรงแรงเข้าไปเถะจับมันตอนเดียวเท่านี้แหละอย่าไปเอาอะไรมันมากเอาอันเดียวนี่แหละจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญจุดตายด้วยนะเนี่ยหนี่คือจุดตายนักปฏิบัติอย่าไปทิ้งมัน ถ้าทิ้งอันนี้มีหวังได้ว่ามีทุกหวังได้ว่าผิดเป็นประมาณเทียวถ้าไม่เอาอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของตนและเชื่อแน่ว่ามันผิดและมันก็ถูกอยู่ได้อีกต่อไปเพราะหลักนี้มันดีมากนี่ครามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าธรรมะที่แท้จริงคือพูดขึ้นในวันนี้มันก็เท่านี้มันไม่มีอะไรมากเห็นอะไรก็เห็นสักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สักว่ารูปสักว่าเวทนาสักว่าสัญญาสักว่าสังขารสักว่าวิญญาณมันเป็นของสักว่าเท่านั้นแหละมันจะแน่นอนอะไรเล่าถ้าเรามารู้เรื่องตามเป็นจริงเชนนี้แล้วมันก็จะคลายความกำหนับคลายความรักใคร่คลายความยึดมั่นคลายความถือมั่นทําไมถึงคลายเพราะมันเข้าใจ เพราะมันรู้มันเปลี่ยนออกจากอวิชชามันก็เปลี่ยนออกมาจากนั้นแหละตัววิชานี่แหละมันคลอดออกจากอวิชชามาเป็นตัววิชาขึ้นตัวรู้นี่มันจะคลอดออกมาจากความไม่รู้ตัวสะอาดนี่มันจะคลอดออกจากความสกปรกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ทิ้งอนิจจงคือพระเนี่ยที่เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นยังอยู่ที่ว่าพระพุทธองค์ของเรานิพพานแล้วนะ่ะ อย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ถ้าเป็นส่วนลึกเข้าไปนะพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เหมือนกันกับคำว่าพิกขุถ้าแปลว่าผู้ขอแล้วมันก็กว้างเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้มามากก็ผิดนะคือมันขอเรื่อยๆเ่ยถ้าเราพูดไปให้ซึ้งดีกว่านั้น พิกุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอากะพิกุมันซึ้งนะเออมันไม่ไปในรูปนั้นเสีมันซึ้งกว่ากันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมะมันก็อย่างนั้นเข้าใจในธรรมะไม่ทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งธรรมะเข้าไปทั้งทั่วถึงมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันมีคุณค่ามากที่สุด อันนี้เราให้มันอิ่มอยู่ด้วยธรรมะถ้าเรามีสติอยู่เมื่อไหร่เราก็อยู่ใกล้ธรรมะเมื่อ น, นั้นถ้าเรามีสติอยู่เราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตราบนั้นเมื่อเราเห็นของไม่เที่ยงอยู่ตราบใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าตราบนั้นแล้วเราจะพ้นความทุกข์ในวัฏฏะสงสารมิวันใดก็วันใดน ถ้าเราไปทิ้งคุณพระไปทิ้งพระพุทธเจ้าหรือไปทิ้งธรรมะอันนี้มันก็เปล่าจากประโยชน์ที่เราทําอยู่อย่างไรก็ต้องติดตามติดต่อเรื่องการปฏิบัติของเราอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทํางานอะไรอยู่เราจะนั่งหรือจะนอนอยู่ตาจะเห็นรูปหูจะฟังเสียงจมูกจะดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโผฏฐพะถูกต้องทางกายสารพัด อ, อย่าไปทิ้งพระอย่าห่างจากจพระ นี่ก็เรียกว่าผู้ที่เข้าถึงพระได้ไหว้พระอยู่ตลอดทุกเวลาตอนเช้าเราก็าไปไหว้อรังสัมมาสัมพุทโธพระวาก็จริงอยู่แต่ว่ามันจะไหว้ไม่มีความหมายถึงขนาดนี้มันจะเหมือนกับคําว่าพิกขุนั่นแหละแปลว่าผู้ขอก็ขอเรื่อยไปก็เพราะแปลอย่างนั้นถ้าหากแปลอย่างดีที่สุดภิกขุก็แปลว่าผู้เห็นภัยในสงสารอย่างนี้ก็เหมือนกันอย่างแบบเราทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไหว้พระอย่างนี้ มันก็จะเทียบได้ว่าพิกโคผู้ขอถ้าเราเข้าไปใกล้ชิดอันนี้จังทุกครังอนัตตาอยู่ทุกเวลาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิมรสมันจะเทียบกับศัพท์ที่ว่าภิกขุผู้เห็นภัยในสงสารคือมันซึ้งกว่ากันอย่างนี้แล้วมันก็ตัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้ามันเห็นธรรมะอันนี้แล้วมันจะมีความรู้มีปัญญาต่อไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าปฏิปทา ให้มีความรู้สึกอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติของเรามันจะมีความถูกต้องดีกว่าถ้าคิดเช่นนี้พิจารณาเช่นนี้อยู่ในใจถึงแม้ว่ามันจะไกลจากครูบาอาจารย์มันก็ยังใกล้ครูบราอาจารย์อยู่นะั่นแหละถ้าหากว่าคนเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แต่ร่างกายของเราแต่จิตใจมันเข้าไม่ถึง มันก็อยู่ไปก็เพ่งโทษครูบาอาจารย์สันเสริญครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำถูกใจเราก็ว่าท่านดีถ้าทำไม่ถูกใจเราก็ว่าไม่ดีก็ไปปฏิบัติอยู่แค่นั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรไปมองดูคนอื่นว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นมันได้อะไรมากมายถ้าเราเข้าใจในธรรมะข้อนี้เราจะเป็นพระขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ มิฉนั้นเหตุผลที่ว่าอาตมาห่างไกลจากลูกศิษย์ปีนี้พรรษานี้ทั้งพระเก่าพระใหม่พระนวกะไม่ค่อยให้ความรู้ความเห็นก็เพื่อให้พิจรารณาเอาเองให้มันมากนั่นเองพระใหม่ที่จะเข้ามาอาตมาบอกข้อกฎอยู่หมดแล้วว่าอย่าไปคุยกันอย่าไปฝ่าฝืนข้อกติกาที่ทําไว้แล้วนัน่นนะคือทางมรรคผลนิพพานนั่นแหละ ถ้าใครไปฝ่าฝืนข้อกติกาอยู่มันก็ไม่ใช่พระไม่ใช่คนตั้งใจมาปฏิบัติเท่านั้นแหละมันจะเห็นอะไรถึงแม้จะนอนอยู่กับอาตมาทุกคืนทุกวันก็ไม่เห็นหรอกจะนอนอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่ได้ปฏิบัติเท่านี้นแหละฉะนั้นการรู้ธรรมะ การเห็นธรรมะมันอยู่ที่การปฏิบัติขอให้เรามีศรัทธาเถอะเราต้องทำจิตของเราให้มันดีคนในวัดทั้งวัดนั้นทำใจให้รู้สม่ำเสมอกันทุกคนเราจะไม่ต้องไปให้โทษใครไม่ต้องไปให้คุณใครไม่ต้องไปรังเกียจใครไม่ต้องไปรักใครถ้ามันเกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้นให้มันมีอยู่ที่ใจให้มันดูถนัดเท่านั้นแหละให้ดูไปเท่านั้นแหละดูไปเถอะ ถ้ามีอะไรมันยังอยู่ในนี้ก็เรียกวันนั่นแหละต้องขูดมันตรงนั้นเราจะไปพูดว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ถ้าเอาได้นั่นมาพูดมันก็เป็นนักเลงต่อกันหมเท่านั้นแหลอาศัยที่ว่ามันตัดไม่ได้ต้องพยายามตัดไม่ได้ต้องขูดมันสิขูดกิเลสเกลากิเลสนั่นแหละขูดมันออกสิ มันเหนียวแน่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเสียไม่ใช่ว่ามันเป็นของได้ตามปรารถนาตามใจของเรานะธรรมะจิตมันเป็นอย่างเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างต้องระวังข้างหน้าต้องระวังข้างหลังฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่ท่านย้ำเข้าไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ความจริงคือความไม่เที่ยงนี้ ความจริงที่มันสั้นๆกว้างๆถูกๆนี้ไม่ค่อยพิจารณากันเห็นไปไปยันอย่างอื่นเสียดีก็อย่าไปติดดีร้ายก็อย่าไปติดร้ายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกเราจะปฏิบัติเพื่อหนีจากโลกอันนี้ให้มันสิ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้วางให้ละ ก, ก็เพราะอันนี้มันประกอบให้ทุกเกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่น